วัดจกลุ่มของสจโกแล็คก็ยกลับแล้วเชาานี้ชูนิเพยายามปลุกตัวเองให้มันตื่นนะหลังทาวัดเราจะไม่นั่งงงเอานอนกันอยู่ พยายามยึดตัวให้ตรงๆเราสวดบทที่เป็นมงคลมันจะกรูดนะ่ะนั่นแหละถ้ามันมีในตัวได้มงคลสามเข้าใจมันหยิบ ม, มาใช้เกิดประโยชน์อย่างมากเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ตนก็คือเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างดีงาม สวยงามเปียกต้นเป็นการทำหน้าที่เกิดกวนเอื้อเฟื้อมันก็อยู่กระโลกได้อย่างสมดุลดำรงชีวิตได้อย่างผาสุขเราก็จะมาฝึกมหาตกันฝึกสติเจริญสติมันให้เกิดเป็นมงคลขึ้นมา รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้มันเป็นบันดิตเจตจลาดได้ถ้าทำไมรู้สึกตัวกายสังข์ก็อัปมงคลอัปยศทีเดียวชีวิตอาภัพมี่ยวตูนหนึมีเงินมีทองมีบุคคล12ึสา มีมิสายญาติพี่น้องวงตระกูลบริวารแต่ก็อยู่ยากเพราะว่ามันเมเหนทิดเม่เ ห, น ท, เหนทางเราก็เจึองนีงแ่แหละมามืดเข้าไปสว่างมาสว่างก็ยิ่งไปสว่างสว่าเพราะเรามาฝึกมาหาทีเห็นของจริงกัน กลุ่มที่เป็นกลุ่ม40วันก็ไปแล้วนะทยอยทยอยกันไปก็ไม่ได้มีการเปิดไม่ได้มีการปิดอะไรทั้งนั้นนะหนือสมมุติกันจริงๆอ่ะไปอ่านตามเลาได้เห็ น, นสมมุติต่างๆมีเต็มโลกไปหมดเลาอยู่ในความคิดวิธีคิดจนกรทังสังคมชุมชนกำหนดกัน เป็นกติกาเป็นกรอบเป็นระเบียบเป็นวินยัยเป็นที่ตกลงร่วมกันอะไรเป็นอะไรก็พูดคุยมีบทสนทนากันมีวาจามีคําพูดเอามาสมมุติคิดเป็นสมมุติพูดเป็นสมมุติทําเป็นสมมุติจะเกิดมีวันมามีวันกลับมีวันเปิดมีวันปิด ทั้งๆที่มันก็เหมือนเดิมทุกวันนะมีวันจันทร์มีวันคารมีวันพุธมีวันพฤหัสมีวันศุกร์มีวันเสาร์มีวันที่หนึ่งสสี่ห้าเดือนมี30สวันสาวันลงท้ายโดยข่มลงท้ายโดยยนต์กำหนดกันไปเดืินขึ้นเดินแหลม ชดหนูจะรู้หัวขารเสือตกระไตเป็นมงคลไม่เป็นมงคลเราสมมุติกันตรงนี้แหละเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วจะวันไหนวันไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกวันทางธรรมชาติแล้วนะทางธรรมะแล้วมันมีแต่ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องของชีวิตก็มีแต่เรื่องของรูปธรรมนามธรรมถ้าเป็นเรื่องเราเรื่องกายเรื่องใจกายใจของเราเป็นอย่างไรกายมีความสุขกายมีความทุกข์ใจมีความสุขใจมีความทุกข์แล้วใจเป็นบุญใจเป็นบาปใจดีใจชัว่วเราก็เลือกเอา เลือกเอาเอามาใช้หยิบเอามาใช้ก็เรียกทำหน้าที่ตรงนี้แหละเราเลือกได้เป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระถ้าเลือกเป็นพระเดินทางสู่การพ้นทุกข์ก็ต้องคืนสภาวะจิต กลับสู่ปกติของจิตก็ต้องรู้สึกตัวรู้ซื่อๆภาษาอีสานรู้ซื่อๆภาษาไทยฟังกันออกรู้สื่อๆรู้เฉยๆมันก็ฟังกันออกอยู่กันนี้เวลามันรู้มันรู้เฉยหรือไม่ก็ลองยกมือดูเดินยองโกมดูมันก็จะเห็นนิวรธรรมนะั่นแหละมันทำให้เราไม่เฉย อาการต่างๆที่ปรากฏมาซ้อนซ้อนกันมามันทําให้เราไม่เฉยทําให้เราเกิดความสนใจทักษะสติสติไม่พอมันก็ไม่สามารถมีปัญญาเห็นแล้วเกิดการปล่อยวางได้เห็นอะไรมันก็เข้าไปสงสัยเงี้ยมันยังไม่แตกฉานมันก็เป็นนิพพานธรรมความสงสัยความลังเลการพยบราบาตรความงงเหงาเหานอน เจ้าซึมเบื่อเซ็งแทนที่มันจะปกติเนี่ยมันก็วัดทุกๆคนอนะ่ะเราก็มาฝึกวัดใจของเราเนี่ยละมาวัดนะเคลื่อนมือรู้สึกตัวเคลื่อนมือรู้สึกตัวมันจะเป็นปกติโล่งโป่งเบาผ่อนกลสบายเนื้อสบายตัวสบายหัวลอดโปรองหรือว่ามันจะครับอกครับใจ เคลื่อนไม้เคลื่อนมือแต่ว่าใจมันก็ไม่เข้าใจว่าเคลื่อนทําไมเราก็ฝึกแล้วฝึกอีกบางทีก็พยายามจะแหวกทะลุเคลื่อนไหวแล้ว ก, กระทบสัมผัสรู้สึกมันก็ไม่เข้าถึงความรู้สึกั้งๆที่ก็ยกอยู่อย่างเงี้ยเคลื่อนมืออยู่ อันนี้แหละมัจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของผู้ที่มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมรู้เรารู้ไปถูกรู้เรารู้ถูกตน้นแหลมเนการฝึกหัดจริงๆเป็นแบบฝึกหัดทำผิดบ้างทำถูกบ้างเรียนถูกเรียนผิดแต่ว่าให้ทำซ้ำๆทำอะไรให้ทำซ้ำๆโบราณท่านว่า รู้สิงใดรู้ยิ่งแต่สิ่งเดียวฝึกให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกะิดผลนะทำซ้ำๆให้ถือรัที่ว่าทําไปเรื่อยๆอยู่วัดอยู่ว่าอย่าไปกําหนดจะมากี่วันจะมาสามเดือนมันอยู่ไปถึงหรอกถ้าอยากมากะาดน่นี้ตั้งใจมากะาด่านี้เดี๋ยวมันจะอยากกลับทันทีตัวอยากตัวเดิมนะนะั่นแหละใครที่ไม่อยากมาเดี๋ยวก็ไม่อยากกลับก็ตัวไม่อยาก มันอยู่กับเราเอเคเราเรานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าก็มาจากทางภาคใต้แล้วก็บอกดี่ฉันจะมาปฏิบัติสามเดือนแล้วค่ะถามว่าบอกพ่อบอกแม่มาหรือเปล่าไม่ได้บอกแล้วค่ะเอาทำไมไม่บอกอ่ะเดี๋ยวก็อบอกก็ได้ค่ะใจอยากมาปฏิบัติมากมาอยู่จริงๆก็ได้ประมาณยี่สิบวันนะ อยากมาก็อยากกลับก็กลับไปแล้วเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากมาไม่ต้องอยากกลับไม่ต้องกําหนดอะไรมากมายแล้วรู้สึกครั้งเดียวไปเรื่อยๆแล้วที่ทาไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่วัดอยู่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆเอาวันนี้ให้รอซะ ก, ก่อนขนาดนี้ให้มันผ่านแล้วก็กลับมาหาตัวเองอย่างที่เรามารวมตัวกันฝึกเนี่ย ให้กลับมาหาตัวเองกลับมาหาความเป็นปกติเรียกว่ากลับมาหานิพพานก็นได้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงแเราหลงเพลอไปหลงพบหลงภูมิลืมชาติของตัวเองมันลืมจริงๆแล้วเราก็สแสวงหาพบชาติใหม่ไปเรื่อยๆหารสชาติแปลกๆใหม่ๆไปเรื่อยๆไม่หยุดสักที ไม่หยุดการแสวงหาไม่หยุดนะเพราะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติกันเพื่อให้หยุดหยุดการเคลื่อนการไหวหยุดการแสวงหาไม่ขนไกว่ายาจจะขนไกว่ก็ได้แตว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องเหตุปัจจัยต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องปิดตาต้องหายใจเป็นเหตุปัจจัยของชีวิต ต้องคิดต้องผููต้องทําเป็นเหตุปัจจัยของชีวิตแต่ว่าให้สติปัญญาความรู้สึกตั ว, วาพาธรรมถ้าไม่มีความรู้สึกตัวตัวหลงกับผาธํามตัวไม่รู้กับผาธรรก็เรียกว่าตัวกิเลสมันก็ไปเป็นทุกเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเรามันก็เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเหตุแล้วเป็นทุกข์เป็นในตัวถ้าไม่รู้ทันมันก็ไม่ดับเหมือนไม่ขิดหัวเดียวมันก็ขยาย เป็นไฟไม่กองควางไม่นาไม่สารพัดสารพันไฟลามทุ่งเรื่องนิดเดียวหลงมันก็กลายเป็นหงุดหงิดกลายเป็นปฏิฆะกลายเป็นความโกรธผูกกรดเคืองเครียดากลายเป็นเรื่องกระทกกระทั่งเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นต่อไป เพราฉะนั้นความโกรธก็เป็นสมมุติเวลาเห็นความโกรธก็เป็นความจริงขึ้นมาคือสู่ความจริงของชีวิตเราคือธรรมะธรรมชาติธรรมดาธรรมดาคือความเป็นปกติในทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกเราจะได้เห็นหนึ่งเนะี่ยมันจะเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาหลายอย่างเมื่อทีงาน อ, อัปมงคลอาจจะเป็นงานมงคลก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นเองที่งานมงคลกลายเป็น อ, อัปมงคลก็ได้ งานมงคลดีๆนะแต่ว่าทำด้วยความไม่รู้เท่าถึงการกลายเป็นงานอัปมงคลขึ้นมางานบุญกลายเป็นบุญผีบ้าเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยกินเหล้าเมายาเวลาแห่นาคหนงานมงคลนะแต่ว่าเรากินเหล้าเมายากลายเป็นอัปมงคลไปเลยบางทีฆ่ากันตายในงานบวชก็มี ถือรองเท้าเต้นไปเต้นมาเหยียบเท้ากันคากันตรงนั้นเลยงทีเอางานเอาประมงคลเป็นงานมงคลก็มีอย่างเร็วนี้มีหญิงยุค น, นึง <Yeah. S 1> ไปงานบุญงานบวชก็เขมีการเต้นลํากันทั้งคืนเจน้านาจะเข้าบวชพวกนี้แล้วคืนนี้ก็เต็มที่ หญิงคนนี้ก็เต็มที่ทุกงานงานไหนก็งานนั้นเป็นคนของสังคมสังคมทำอะไรก็ทำตามกันกินเหล้าจะได้ที่เมาจะได้ที่แล้วก็พูดออกมาแปลกๆว่าเราก็จะขอเต้นเป็นครั้ ง, งสุดท้ายงานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วจะไม่ได้มาเต้นอย่างนี้กันอีกนะ เนีเอาอย่างเงี้ยไปใช้ในงานศพของฉันด้ว ย, ยถ้าฉันตายมาเลยเต้นให้เต็มที่แล้วจะมาใส่สีดำเลยไม่ต้องใส่เอาสีม่วงเลยฉันชอบมากสีม่วงเนี่ยก็ใส่เสื้อสีม่วงไปงานศพของฉันกันนะเสร็จแล้วกลับมาบ้านตอนเช้าอย่างเงี้ยนอนไม่ตื่นนะหลังจากที่เต้นมาทั้งคืนเสร็จแล้ว กลายเป็นว่างานสพเนี้ยต้องใส่สีม่วงกันแล้วก็ต้องจ้างดน ต, ต ร, รีมาเล่นแล้วก็เต้นกันทั้งคืนเหมือนกันทั้งเต้นทั้งร้องไห้นพอเพลงแรกขึ้นมาก็ร้องไห้ด้วยเต้นด้วยคน <c oughs> เพื่อนฝูงมันก็เป็นงานที่แปลกงานอาไมงคลเอาเป็นงานมงคลมันก็คือสมมติบัญญัติแล้วแต่ ศรัทธาความเชื่อมันเป็นอย่างเนี้ยบางทีบางคนตายเคยฝึกสติก็สั่งเอาไว้ว่าเวลาฉันจะตายแม่อย่าให้คนมาร้องไห้ในงานของฉันนะฉันรู้สึกจิตตกเนี่ยก็สั่งเสียกันอย่างนี้เลยแม่เขาก็ยังอยู่นี้มั้งนาสาคกรหลังกลมๆอม ป่นนี้ลูกสาวเขาเป็นเพศสัจกรของจังหวัดเชัยภูมิก็มีความรู้ความสามารถจบปริญญาโทรั้วศรีชมพูจะลาโรงกรนมหาวิทยาลัยแล้วก็มาฝึกหัดปฏิบัติทำตามพรสสวดมนทุกวันเวลามาก็จะมา ก, ก่อนเพื่อนเลยแล้วก็อยู่คนเดียวตั้งใจปฏิบัติมาก อันนี้ไปตรวจพบเป็นมะเร่งชนิดร้ายหลังจากที่เป็นมะเล่งมันมีท่สุดๆๆๆๆๆภัยในปีเดียวหน้าตาเศ้าหมองคิ้วเครียดแววตาแข็งแล้วก็อารมณ์จุนเชียวงุดงิดง่ายถ้าให้สุดนิศัพย์สนแล้วคุ้มครั้งมีการพุดลุกพุดนั่งร้อนๆทีเดียว อาน้ำหวานมาพอยืนให้กับแมวจะไปห้องน้ําพอยิ้วปีกประคองเดินก็ได้ครึ่งทางกลับเตียงอจะนอนแล้วพอนอนลงไปเต้พังกะลุกขึ้นนั่งพอนั่งขึ้นมาก็จะนอนพระกไปเยี่ยมเก็บดอกบัวเยี่ยมเอาไปเป็นนิมิตหมายดอกไม้ของพระศาสนาเอาจากในสารนาวัดเ น, นี่ยตุ้เนี้ย ทีนี้พอมีการคุ้มคลั่งก็บอกให้ทําวัดสวดมนต์อย่างนี้อย่างที่เราทํากันเนี่ยอรหังสัมมาสัมโธพระครวาพุทธังพระวันตังเทมิพอพอพอพอพอพอสวดมนต์ก็ไม่เอาเออไม่เอาแมวก็หยุดสักพักหนึ่งก็แสดงออกถึงอาการที่มัน อยู่นิ่งไม่ได้ใจหงุดหงิดจุนเฉียวเม่อการเก้าวแล้วอารมณ์รุนแรงออกมาก็เลยเอาดอกบัวไปบอกว่าเนี่ยพระมาเยี่ยมนะความดีที่ทำมาทั้งหมดยกให้กุ้งคนเดียวเนี่ยบอดอกบัวโยมเคยทำบุญกับพระมาเยอะแล้ววันนี้พระจะทำบุญกับโยมบ้างนะ รับดอกบัวก็เอาดอกบัวไปเสียบมือนี่ยมันคลายไม่ได้เวลาคนใกล้ตายเนี่ยมันจะเกรงนะเกงนะเกรงเกรงระบบสมองระบบประสาทมันไม่สมบุรณ์แบบก็เอาเลยเอาดอกบัวเสียบไว้ในมือคนกรุงเธอก็เอาดอกบัวยกกันมาเคาะที่หน้าผากก็สร้างนิมิตเป็นบุญให้ใจมันดีขึ้นมาเราก็บอกว่าอ้า เคฝึกสติมาถ้ามีสตินะไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยสิทั้งๆที่เครียกก็ยิ้มยิ้มแห้งๆ แ, แต่เราก็ยิ้มถ้าแสดงว่าพยายามฝึกสติมีสติอยู่สติที่มนะีก็เอามาใช้ตามสมควรก็ยิ้มให้ดูคําพูดนะที่พูดหลังจากที่ได้สติคืออาจารย์ไมเห็นพาจเจริญสติเลย เเอเ อ, เอดีดีดีพูดคำนี้แล้วก็อ่ะมามานั่งฝึกสติกันดีกว่าก็ยกมือ14็บสี่าชว่ะในห้องในโงรงพยาบาลใจภูมิคนเฝ้าไข้แล้วคนมาเยี่ยมที่มาด้วยกันก็นั่งยกมือกันรู้สึกวันนั้นจารว่าชัยก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วก็นั่งยกมือกันสักระยะก็ทราบว่าวันต่อมาวันลงคลื่นก็ว่ากลับบ้าน ก่อนหน้าเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ลังเลกันนะจะอยู่ที่นี่โรงพยาบาลดีหรือว่าจะไปไหนดีไปวัดดีไหมวัดก็ดีไปบ้านดีไหมบ้านก็ดีแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยเราจะกลับไปบ้านคนเฝ้าไข้ก็แงว่าจะกลับไปตายเป็นภาระกับคนเฝ้าไข้กันจะอยู่ต่อมันก็ไม่หายสักทีแล้วมีอาการคุ้มครั่งอย่างเงี้ยคนเฝ้าไข้ก็อยากอยู่บ้าน คนใกล้ตายจริงๆก็อยากอยู่บ้านแต่เราก็กลัวก็ฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาลกับหมอกับอุทยานกับอยู่กับยามีอาการลังเลเกิดขึ้นมอยู่โรงพยาบาลก็คิดถึงบ้านอ ย, อยู่บ้านก็กลัวตายมันจะเอาอยัางไงกันอีหลักอิเหลือ่อพอฝึกสติตัดใจเลยกลับบ้านโคลมเลยเก็บผ้าเก็บผ่อนแต่แล้วพอไปบ้าน ก็ไปนั่งเจริญสติฝึกสติอย่างเงี้ยบัลลงนขึ้ น, นก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมก็เห็นว่าเออดีนะได้สติหน้าตาแจ่มใสวางใจทำใจได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวโชวเลยนะนั่งเคลื่อนมือสิบสี่ว่าโชพเห็นแล้วก็รู้สึกอืมเนี่ยนะได้ทีพึ่งได้ทีพึ่งพอกลับมา กุ้งเาก็พูดกับแม่ก็สั่งเสียกับแม่ก็เลยแม่ถ้าคนร้องไห้จะมาตอนเนี้นะมาเยี่ยมไม่ต้องให้มานะมาแล้วเห็นแล้วก็ร้องไห้ไม่ต้องมาจิตตกหมดเนี่ยคือคนมีสตินะบอกได้ท้ายสุดก็บอกกับแม่แม่ขอกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะแม่นะแม่สาครก่อนให้กอดแล้วก็นิ่ง คุยกับลกไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะแล้วก็ก็ตายคาตักถามาแม่ถ้าจากกับลูกแบบนี้สภาพอย่างเนี้ยแม่จะรู้สึกยังไงถ้าไม่มีสติแต่ว่างานนี้ปรากฏงดงามอะตายก็อย่างงดงามไม่มีน้ําตาก็เนี่ยเป็นอาการของคนที่ฝึกสติแล้วก็มีในส่งแทนที่จะเป็นอัปมงคลก็เป็นมงคลขึ้นไป เกิดความฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาเห็นความจริงสัจจะความจริงมีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมันเป็นอา น, นิสงส์เป็นผลของการฝึกขัดปฏิบัติที่มันมีสติมีปัญญาสมควรแกร่การปฏิบัติก็มีไว้ใช้แต่ถ้าไม่ฝึกก็ทําไม่เป็นถ้าไม่เคย ร, รู้มาก่อนก็ไม่เห็นทิศไม่เห็นทางมืดมลยนตการเหมือนะนหลายคนที่ก็เป็นกันว่าเราจึงโชคดี ได้มีโอกาสมาวัดมาวาทําวัดเสด็จบนกันได้ยินได้ฟังเรื่องสติปัฏฐานและมีการฝึกหัดปฏิบัติลงไปตามสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้จะกราบแล้วก็ให้เอาไปฝึกต่ออย่าหยุดแต่เพียงแค่นี้จัดระเบียบวินัยของชีวิตตารางชีวิตต้องเสริมเติมเต็มลงไปด้วยความรู้สึกตัวด้วยอย่าปล่อยทิ้งไปกว้างจะเป็นแบบไกได้ปลอยไม่มีค่า แทายสุดมันก็เป็นชีวิตที่ประมาทต้องตายอย่างทุนตุลายมาหลายคนก็เคยเห็นหลายคนไม่ฝึกสติไม่ต้องฝึกก็ได้ทำอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ท้ายสุดพอตายเนี่ยอาจมาไปช่วยหลายหลายศพเลยนะนี่นี่กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเนี่ยอย่างบ้านข้างหน้านี่มาตายอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องไปบอกกั น, นเออกลับมารู้สึกตัวสีกลับมาฐานตรงนี้กลับมาหาตัวลมหายใจท้องพองยุบนะพิกมือรู้สึกตัวรู้สึกกลับมาหาตัวนี้ก่อนอย่าไปอยู่กับความคิดเพรเดี๋ยวมันจะสับสนปฏิบัติรู้สึกตัวจนกว่าจะรู้ถึนความคิดเห็นความคิดถึงจะได้หลักของสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยที่เราฝึกกันต่อเนื่องเชื่อมโยงเพื่อเห็นความคิดถี่ขึ้นถีขึ้นถีขึ้น จากยาไปหาเหียโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียญลงเราก็รู้ซ้ําๆทําไปเรื่อยๆสติมจะว่องไวรู้ทันได้ไวทีแรกผมก็คิดจบแล้วรู้ทันตอนหลังมากลางๆรู้ทันตอนพอทำนานๆก็ไปมันก็ว่องไวขึ้นมาปั๊บรู้ปุ๊บมาปรั๊บรู้ปุ๊บเราได้เห็นว่าอ๋อมันมีธรรมชาติแบบนี้ด้วยมันแก้กันแล้วมแก้กรรม กรรมฐานมันแก้กรรมดีกรรมช่วยแล้วกรรมฐานทําให้เกิดธรรมชาติขึ้นมาเห็นธรรมชาติธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติเห็นธรรมชาติคือสติสมาธิปัญญาเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็นธรรมะมันเห็นธรรมชาติคือมันเห็นกุศลธรรมเห็นอกุศลธรรมมันเห็นอาการของจิตที่คิดเก่ง มันเห็นความคิดรู้ทันความคิดคิดแล้วพูดคิดแล้วทำคิดละวโลคิดแล้กัวแล้วหลงคิดล้วรักและชังคิดล้ดีคิดละชั่วคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นก็เป็นนรกเป็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ออกมาเป็นความปกติทุกครั้งที่มันรู้สึกก็ปกติแล้วก็ทำจนกระทั่งมันสัมผัสสภาวะตรงนี้ได้ ในพุทานท่านก็เรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังมันมีแต่ผ่านทุกอาการทุกอารมณ์ที่มันแสดงออกมาความรู้สึกตัวโดวยเฉพาะนาการเคลื่อนไหทตรงนี้มันมันเป็นรูปแบบหยาบๆจิตของเราที่เคยสุขสนมากๆเราใส่กรอบไว้เหมือนคอนกรีตใจของเราเหมือนคอนกรีต มีหินมีทรายมีปูนมีน้ำํำผสมเหลวเกินไปมันก็ไหลออกเอาขึ้นลูกขึ้นล่างเป็นต้นเสาวก็ เ, เกิดความตั้งมั่นไม่ได้เลยแต่พอเอแบบมาใส่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นแปดเหลี่ยมสามเหลี่ยมใส่แบบให้กับมันเทคอนกรีดลงไปมันก็แข็งขึ้นมาให้เวลากับมันหน่อยของเราให้เวลามาห้าวันวันนี้แล้วจิตใจของเราตั้งมั่นตามสมควรหรือ ย, อยัง เมื่อเข้ารูปแบบสิบสี่ชิงกว่ารู้วนั่งง่วงเหงาเหานอนอยู่ใล้สังเกตดูไอ้สิ่งที่ดึงดูดออกไปทำให้นะจิตไม่เกิดความตั้งมั่นมีมากมายเหลือเกินก็ต้องอุดรูรั่วให้ดีๆตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจของเรามันเป็นตะวานมันไหลออกไปลืมเนื้อลืมตัวนะเพราะนั้นเรานะของการจิตจิตที่มันทางานโดยธรรมชาติ สันชาติยานะมันจะเป็นจิตทิฟุ้งซ่านจิตทิฟุ้งซ่านมันไปตามสันชาตญานหาอยู่หากินวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆแต่พอเรากลับมาเข้ารูปแบบปั๊บเบื้องต้นนะที่พูดในะเบื้องต้นมันจะกลายเป็นเรื่องของจิตที่ค่อยๆฝึกให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเรียกว่าสมาธิแล้วเราก็จะเห็นว่ามันตั้งมัน่นแระทายส่วนคือเป็นแบบของ กายญานุปัสสนาสิบฐานนีคือการเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแบบเป็นแบบเวทนานุปัสสนาสิบฐานก็คือเห็นสุขทุกข์หรือเรียกว่าอาการต่างๆของกายของจิตะเวทนาทุกเวทนาน่ะนะศัพท์ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันสุขกับศัพท์ว่าสุขนะมันทุกขกับศัพท์ว่าทุกข์มันก็จะเห็นจิตศัพท์ว่าจิตนมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา มันก็เป็นแบบจิตดูจิตขึ้นมาหรือว่าสติดูจิตขึ้นมามันจะเห็นจิตอาการของจิตในคิดเป็นอย่างไรคิดแล้โลภคิดล้โกรธคิดแล้วหลงพว ก, วก น, นั้นมันจะเห็นเลยคิดแล้ก็ปกติคิดแล้วก็ไม่ปกติระหว่างดีกับไม่ดีมีค่าเท่ากั น, นก็คือจิตคิดตรเนี้นะต่อมาก็คือมันก็จะเห็นธรรมศักว่าธรรมไม่ใช่ัต์ตัวตนบคุคคลเราเขาตรงนี้แหละมันถึงเห็นเป็นปรมาถสภาวะก็คือ มันเห็นอาการทั้งหมดของโลกแต่ว่ามันไม่ทุกข์มันมีอยู่ตาดูมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหูฟังก็ไม่ได้ทุกข์อะไรตรงนี้แหละมันถึงจะเหมาะที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงในโลกใบนี้ซึ่งหนีไม่พ้นมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์หนีไม่พ้นจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เราหนีใจของเราเองไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องหนีพร้อมเผชิญเลย ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติปฏิบัติรรเนี่แหละเกินไหวรู้สึกมันจึงไม่ใช่ที่วัดป่าสุกโตแต่มันที่กายที่ใจของเราปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านจึงต้องไปพัฒนาต่อนะเช้าตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่ น, นฝึกสติในที่นอนเนี่ยสัก5านาทีสิบนาทีแล้วค่อยๆกำหนดลุกขึ้น ครบที่นอนมอนมุงแล้วก็เดินล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำห้องถ่าอาบน้าอาบถากลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวไปบุรณาการใช้ในชีวิตของเราใได้ทํางานก็เหมือนกันเมื่อใดก็ตามมีสติเลิกรู้ก็กลับมาหาความรู้สึกตัวมันจะรู้ได้มา่อไรก็จ้างบันเทอะแล้วเราก็พยายามทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนไวหวหันซ้ายแลขวาเรบประทานอาหารอย่างเงี้ยเราก็ทําเหมือนกับอยู่ที่นี่เลยพยายามปลีกตัวเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็รับข่าวสารข้อมูล น, น้อยๆหนังสือนังหาข่าวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทําผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละข่าวต่างๆมันเป็นการนําเสนอข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในมือและข่าวเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกัน ข่าวที่จะแม่นยำนาก็ น, น้อยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันเพิ่งออกมาอีกห้านาทีสินาทีทางทีวีทางวิทยุอย่างนี้นะอย่างเช่นเรามาเคยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปงานก็จะมีเอาเครื่องบินมาโชว์ด้วยนะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเล็กมาโชว์บินที่สนามกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้ว ขณะที่มันบินบินอยู่ฮะมันเกิดตกลงมาเครื่องบินเนี่ยมันก็เห็นคาหนังคาขาวว่าตกลงมาแต่พอกลับไปถึงหอพักดูทีวีอ้าวข่าวเพิ่งออกข่าวด่วนข่าวด่ว น, ววนโว้ยก็เห็นจนกลับบ้านแล้วเนี่ยเพราะนั้นปิดหูปิดตาซะบ้างก็ดีนะข่าวสารข้อมูลเนี่ยบางทีมันพาให้เราได้เผลอหลงจากความลึกตัวได้ง่ายมาก เดี๋ยวเพราะการอยู่วัดอยู่วาจะมีข่าวล่ํำลือต่างๆนานามากมายให้เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มากๆตัเนี้ยมันจะได้ยินเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วก็พยายามนะเหมือนกับว่าการพูดการคุยก็เหมือนกันเพื่อนกินหาง่ายแล้วเพื่อนตายาหายากเกินมิตรแท้เพื่อนตายกาลยาณมิตรแท้ไม่มีเลยแต่มิตรบาปปามิตรน่ยเยอะมากะ เพราะนั้นเราเลือกแต่เราไม่มีมิติจริงๆเราเลือกครบกับความรู้สึกตัวนะีตัวนีน้มันจะเป็นกายานธรรมทําอะไรก็รู้สึกตัวทําอะไรก็รู้สึกตัวมันจะกลายเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตของเราไม่ใช่หมายถึงว่าที่วัดแต่หมายถึงว่าทุกที่เราก็จึงเอากลายเป็นวัดนะแล้วก็ใจเป็นพระเมื่อเรารู้สึกตัวพระก็อยู่กับวัดนั่นแหละก็จะเป็นชีวิตที่แบบ คกินสู่สภาวะธรรมชาติเ ด, เดิมของใครของเรากันเราก็พาตัวเองปฏิบัติกันไม่ได้หมายถึงว่าต้องมารวมกลุ่มซะแล้วหมายถึงว่าเราเห็นประโยชน์แล้วเราก็ไปพาตัวเองตอนเตือตตนอยาหลับปฏิบัติเอาที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็จึงขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านพยายามที่จะเข้าถึงความรู้สึกตัวในตทุกขณนะจนกระทั่งมีความเป็นปกติ ในการปฏิบัติงานปฏิบัติการเป็นผู้ที่ฝึกสติปัฏฐานจนเป็นจริตนิสัยมีแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวจนกรทั้งการคิดการพูดการทําประกอบด้วยสติได้สมาธิได้ปัญญามีแต่ความเมตตากรุณาจนกระทั่งโลกนี้มีแต่ความสุขความเจริญและวก็สันติสุขสันติภาพก็เกิดขึ้นมาเราก็จะไม่มีภัยกับใครมีแต่การให้อภัยมีเมตตากรุณ า, มามเมตตาเวียร์ขา เพราะความรู้สึกตัวมันพาไปจนทั้งชีวิตเรามีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญโดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนทั้นเถิน